วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพศ2539เป็นการบรรยายคำพีมหาประฐานโดยอาจารย์สุเทพโพธิสักทาท่านสาธุชนที่เคารพมหาปัะฐานหรือปัจจัย24วันนี้ยังจะพูดเรื่องของอารมณะปัจจัยที่อธิบายโดยละเอียดประเด็นที่พูดถึงอยู่ก็คือการที่จิตอันเป็นกุศลและจิตบ้างอากุศ ล, ลจิตบ้างหรืออพยากต า, ตาจิตจิตกลางกลางไวง นึกอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมบ้างเป็นอกุศลธรรมบ้างและเป็นอัพยากตาธรรมบ้างเป็นอย่างละสามอย่างละสามทั้งหมดเนี่ยเป็น9วาระเก้าวระคือเก้ส่วนเก้าประเด็นย่อยที่พูดมาแล้วนในทบทวนพูดมาแล้วกุศลกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมก็คือกุศลจิตนึกถึงกุศลจิตกุศลธรรมเป็นปัจจจิตนึกถึงกุศลจิต อาพยากตธรรมเป็นปัจจัยขอโทษกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่พยากตาธรรมอัพยากตาจิตจิตที่เป็นกลางๆระลึกถึงกุศลธรรมอีกวาระหรืออีกบทหนึ่งอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อากุศลธรรมก็คือระลึกถึงอากุศลจิตด้วยอากุศลจิตอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมลลึกถึงอากุศลจิตด้วยจิตที่เป็นกุศลอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่พยากตาธรรม ระลึกถึงอากุศลลจิตด้วยจิตที่เป็นจิตกลางๆอันนั้นเป็นเป็นส่วนที่สองส่วนที่สามอัพยากตาธรรมเป็นปัจจัยแก่อภิญากตาธรรมคือธรรมที่เป็นธรรมกลางๆลเนี่ยจิตบ้างเจสิกบ้างรูปบ้างทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นอัพยากตาธรรมเป็นปัจจัยแก่จิตที่เป็นอภิญากตาจิตคือเป็นจิตกลางๆเรียกว่าอภิญากตาธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตาธรรม ต่อมาอัพยาการธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมคือธรรมที่เป็นธรรมกลางๆงรูปก็าตามนามก็าตามเป็นปัจจัยแก่กุศลจิตกุศลจิตเป็นตัวนึงถึงและสุดท้ายเลยก็คืออัพยากาธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมก็คือจิตก็ดีเจตสิกก็ดีที่เป็นกลางๆนะครับแล้วก็รูปเลยไปถึงนิพพานเป็นปัจจัย โดยความเป็นอารมณ์แก่อกุศลจิตทั้งหมดเนี่ยท่านเรียกว่ากุศลติกะกุศลติกะแปลว่าหมวดสามซึ่งมีกุศลเป็นต้นหมวดสามซึ่งมีกุศลเป็นต้นกุศลติกะแบ่งเป็นสามบทบทหนึ่งบทสองบทสามบทหนึ่งก็เป็นสามบทสองก็เป็นสามบทสามก็เป็นสามนะอย่างที่อ่านเมื่อกี้ ทั้งหมดนี้ถ้าเรียกว่ากุศลติกะที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับกุศลติกะคือหมวดสามซึ่งมีกุศลธรรมเป็นต้นที่ว่ากุศลาธรรมากุศลาธรรมาปยาคตาธรรมาทีิปราสวดเรียกว่ากุศลติกะหมวดสามซึ่งมีกุศลาเป็นต้นหรือกุศลธรรมเป็นต้น ในหมวดสามนั้นแบ่งเป็นกุศลอกุศลอัพยาคตาอันนี้ถ้าเรียกบทกุศลติกรารประกอบโดยบทสามบทที่หนึ่งคือกุศลธรรมที่เป็นปัจจัยบทที่สองอกุศลธรรมเป็นปัจจัยบทที่สามอัพยาคตาธรรมเป็นปัจจัยแล้วก็แต่ละบทนั้นก็แบ่งเป็นเป็นสามส่วนด้วยกันอันนี้ก็เป็นการแจกโดยในของอารมณ์ซึ่งก็ ก่อนที่จะเริ่มเรื่องต่อไปเนี่ย<ม>ก็กล่าวได้ว่าจิตของเราซึ่งมีการรับรู้อารมณ์ต่างๆตัวจิตที่เป็นตัวนึกคิดรับรู้อารมณ์ต่างๆงนั้นก็มีทั้งจิตที่เป็นบุญบ้างมีทั้งจิตที่เป็นบาปบ้างแล้วก็มีทั้งจิตที่เป็นกลางๆาปะปนกันเวลาที่เรานอนหลับจิตเป็นกลางๆงเวลาที่ตาเห็นรูปขณะที่ตาเห็นรูปคืรูปอารมณ์เนี่ยหรือหูฟังเสียงเนี่ย จักษุวิญญาณที่เป็นตัวเห็นรูปเป็นจิตเห็นรูปโสดาวิญญาณที่เป็นจิตฟังเสียงเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอากุศลธรรมหรือเป็นอัพยากตาธรรมเป็นอัพยากตาธรรมแปลว่าจิตและเจตสิกด้วยนะครับที่เกิดอยู่ด้วยกันก็คือจากขุวิญญาณหนึ่งมีเจตถิประกอบเจ็ดเป็นอัพยากตาธรรมเป็นกลางอารมณ์ที่ จักสุวิญญาณเห็นคือรูปาลมณ์สัทธารมที่โสตวิญญาณได้ยินเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกาาุศลธรรมหรือเป็นอภิญญาตธรรมเป็นอะไรครับเสียงเป็นกุศ ล, เ ป, ศลเป็นอกุศลเป็นอภิญญาตตอบได้ไหมบางคนทําท่างงงงเนี่ยอาจจะไปตีกับหลักคือผมไม่ได้ถามว่าเสียงที่ได้ยิน เกิดจากกุศลวิบากหรือเกิดจากกุศ ล, ลกรรมหรือเกิดจากอกุศ ล, ลกรรมผมไม่ได้ถามงั้นผมถามว่าตัวเสียงตัวรูปเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอภยากตะจะตอบว่าไงเป็นอภยากตะเพราะอะไรถึงว่าเป็นอภยากตะเพราะตัวเสียงนั้นไม่ใช่บุญตัวเสียงไม่ใช่บาปตัวเสียงเป็นธรรมกลางกลางไม่บุญไม่บาป แต่ตัวเสียงก็ดีหรือตัวรูปก็ดีที่เราได้ยินเนี่ยนะะเกิดจากบุญและบาปของเราได้บุญและบาปที่เราได้ทําไว้โดนบันดาลทําให้เสียงนั้นมาเข้าหูเราหรือหูเราไปได้ยินเสียงนั้นบุญและบาปที่ได้ทําไว้เกี่ยวกับเสียงรูปก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันร็เป็นกรณีของตาเห็นรูปเป็นต้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ อทีนี้ในอัพยากตะธรรมที่เป็นอารามณะปัจจัยเนี่ยเราจะเริ่มต่อวันนี้เนี่ยนะครับใช่ไหมเราเราขึ้นประเด็นนี้แล้วนะประเด็นที่แล้วจบแล้วยังยังเหรออยังถึงข้อไหนอะ่ะข้อสามจะขึ้นข้อสามใช่ไหมขึ้นประเด็นสามประเด็นสามคืออากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อภยากตะธรรมเงินเห แค่นัเอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมเอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอากุศลเป็นอโหัวข้อนี้เลยเหรออากุศลเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยนะเหรอเอาผมนึกก็พูดแหละเอาถ้ายังไม่พูดก็ก็เริ่มตรงนี้ก็ได้อ่ะงั้นก็จะเริ่มตรงนี้นะฮะในเอกสารหน้าสี่เปิดเอกสารหน้าสี่ครับเอ่อถ้ายัง ใครไม่ได้แจกใหม่ก็รับแจกใหม่แจกใหม่นี่ผมหมายถึงที่เก่าที่แล้วน่ะแจกเอกสารชุดเก่าแต่ทํามาแจกใหม่ทํามาแจกใหม่ถึงหมายถึงทําให้เรียบร้อยขึ้นอากุศละธรรมเป็นอารัมมณปัตย์ใจคือบุคคลนึกถึงด้วยจิตใดๆในอากุศละธรรมอ่เราลองมานึกเราเราก่อนว่าเราเนี่ยนึกถึงอากุศลได้หรือไม่ได้ ได้จริงๆไหนลงนึงกระตูดสิหาอะไรเจออกุศลของใครก็ได้นะควาจริงนะเราก็นึกถึงอากุศลของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เพียงแต่เรามีทัศนกติต่างกันถ้าเป็นอกุศลของคนอื่นเราถือสาถูกไม่ถูกถ้าเป็นอากุศลของเราเราไม่ถือสาเราไม่เห็นว่ามันเป็นความผิดเราตีค่าอไปคนละแบบกัน ก็เป็นนั้นว่าเรานึกเช่นว่าพูดถึงความโกรธเรานึกออกนึกออกว่าเราเคยโกรธพูดถึงความง่วงนึกออกไหมคนนึกไม่ออกคือคนกำลังง่วงอยู่เรานึกออกว่าไอความง่วงมันเป็นยังไงมันทําให้ใครเดือดร้อนไหมความง่วงมันหนักใครไหมไม่หนักใครใช่มอ่มถ้าอย่างนั้นก็เป็นบุญเลยที เป็นมุนเป็นบาปเป็นบาปเวลาง่วงเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะฮะแล้วเวลาจะเข้านอนแล้วเกิดไม่ง่วงเป็นสุขเป็นทุกข์เอเป็นทุกข์อีกเวลาขับรถนี่เป็นทุกข์แบบคือความง่วงบางทีเราก็ปรารถนาบางทีก็ไม่ปรารถนาเราก็มีทัศนคติต่างกันไปบ้างไอ้กิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยมันเกิดในเวลาไม่ปรารถนาเราก็ไม่ชอบหน้ามัน โสดบางทีก็ไม่ชอบโมหะบางทีก็ไม่ชอ บ, า บ, าชอบราคะบางทีก็ไม่ชอบอิจฉาบางทีก็ไม่ชอบมันเกิดในเวลาที่เราปรารถนาเราก็เห็นมันเป็นดีเราชอบมันเอาแน่ไม่ได้อันนี้เป็นอันว่าอากุศลลธรรมเนี่ยเรานึกได้แต่ถามว่าเมื่อเรานึกถึงอากุศลลจิตนึกถึงกิเลสความรู้สึกวายตา่ำใดดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเป็นของเราหรือของเขา จำเป็นหรือไม่ว่าจิตท like kind of MM ี่เป็นตัวนึกถึงความชั่วจะต้องชั่วไปตามจิตที่นึกถึงด้วยเช่นคนนึกถึงความโกรธจำเป็นจะต้องโกรธไหมคนนึกถึงความโลภก็ไม่จำเป็นจะต้องโลภคนนึกถึงความง่วงก็ไม่จำเป็นจะต้องง่วงคนนึกถึงความอิจฉาไม่จำเป็นจะต้องอิจฉาคนนึกถึงความฟุ้ซ่านไม่จาเป็นจะต้องฟุ้งซ่าน และในทรรนองเดียวกันคนนึกถึงความอิจฉานึกถึงความง่วงนึกถึงกิเลสก็อาจจะเกิดกิเลสซ้ำกับปีก็ได้แล้วอาจจะเป็นกิเลส ต, ตัวเดียวกันหรือเป็นกิเลสคนละตัวก็ได้มันไม่แน่และความไม่แน่นี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรถึงบางถึงไม่แน่ตอบว่ามันเกิดจากอํานาจเหตุปัจจัยอื่นอ่าอํานาจเหตุปัจจัยอื่นก็คือผมจะสรุปกล่กาวหน้าเนี่ยนะเช่น ที่เราอาจจะพูดเป็นข้อธรรมว่าอำนาจของโยนิโสอำนาจของการคบิดอะไรนะ่นมันเป็นการพูดอย่างไม่ได้พูภาษาปัจจัยในแง่ภาษาปัจจัยเนี่ยเขามีภาษาพูดและอธิบายว่าทำไมคนมือที่จับทองจึงไม่เป็นทองไปตามทองด้วยมือไม่เป็นทองด้วยมือที่จับเพชรทำไมจึงไม่เป็นเพชรไปด้วย ใช่แล้วมือมือจับทองเป็นทองมีแล้จิตมันถึงไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปอย่างที่มันคิดนะฮะมันหลากหลายไปมาได้เพราะนั้นคนถึงสูงได้ามได้คนถึงตกนรกเพราะละก็ได้ตกนรกเพราะเข้าวัดก็ได้ตกนรกเพราะพบพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วคนไปสวรรค์เพราะคนชั่วก็ได้ คนบนรรลุพระอรหันต์เพราะาถูกโอโลมปฏิโลมจะชำเราก็ได้เงี้ยนะก็เป็นไปได้ทั้นนั้นมันมันต่างกันที่การดูแลจิตที่เป็นตัวจับอารมณ์คราวนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งนั้นกล่าวถึงในกรณีที่เมื่อจิตเป็นอกุศล ซึ่งบุคคลเกิดจิตอกุศลและนึกถึงอกุศลและจิตเป็นบาปทั้งจิตที่ถูกนึกและจิตที่นึกสองอย่างเลยไ อ, อ้ตรงนี้พูดยังอธิบายแล้วอย่างนี้ย อ, อธิบายแล้วก็เลยข้อนี้ไปแต่เอาเป็นว่าผมพูดถึงจุดนะพูดถึงจุดตรงนี้ว่า เวลาที่บุคคลนึกถึงจิตที่เป็นอกุศลด้วยจิตที่เป็นอกุศลมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ว่าโดยหลักท่านว่าเป็นการไม่ได้ละไม่ทําให้อกุศลที่ถูกนึกกรดีตัวนึกกรดีสั่นสะเทือนอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มพลังให้อกุศลได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดีผมหมายถึงเป็นอย่างต่ําอย่างหยาบ อากุศลเกิดกับอากุศลเนี่ยเป็นอากุศลอย่างหยาบอย่างต่ำถ้าอากุศลเกิดกับกุศลเป็นกุศลอย่างสูงสูงกว่าอกุศลที่ยินดีในอากุศลหรือยินร้ายในอากุศลตรงนี้อธิบายขยาความนิดหนึ่งคือถ้าจะเทียบกับในทางกุศลเนี่ยท่านว่าการที่บุคคลจะบรรลุในธรรมได้ไวเจริญในธรรมได้เร็ว มันมีข้อหนึ่งในทางบุญนะฮะว่าบุคคลนั้นจะต้องอน้อมนึกถึงธรรมที่ตัวเองได้แล้วหมายความว่าไงหมายความว่านึกถึงกุศลธรรมที่ตัวเองได้แล้วเช่นว่าเราได้สมาธิอันใดอันหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ลืมไม่ลื ม, ไ ม, ลมไม่ได้แปลว่าแค่จำแต่หมายถึงการระลึกนึกถึงบ่อยๆการระลึกนึกถึงซึ่งถึงกุศลธรรมบ่อยๆ สมาธินั้นบ่อยๆวิปัสสนาญาณ น, นั้นบ่อยๆทานที่ทำนั้นบ่อยๆศีลที่รักษาบ่อยๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านว่าเป็นการเพิ่มพลังเพิ่มพลังบุญโอกาสที่เราจะเจริญในกุศล น, นั้นให้ยิ่งขึ้นกับเป็นไปได้ง่ายรักษากำลังความมั่นคงของกุศล น, นั้นไว้ ก็เป็นไปได้ง่ายจริงไม่จริงนึกดูนะเช่นว่าเราเนี่ยประทับใจไม่เลิกในกุศลที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาบันที่ท่านมีกุสมบัติอันหนึ่งคือมั่นคงในกุศลธรรมแล้วกุศลธรรมไม่แตกเพราะว่าการที่ท่านบรรลุโสดาบันแล้วท่านจะประทับใจมากแล้วก็จะระลึกถึงอยู่บ่อยๆเหมือนอย่างเป็นสาระประจําความรู้สึกท่าเลยจึงทําให้มั่นคง และทําให้ท่านมีโอกาสจะเจริญขึ้นไปสู่ความเป็นพระสกทาคามีได้เร็วขึ้นอทีนี้เรามาดูถึงประสบการณ์อย่างเราๆสมมติว่าเราให้ทานและเราก็นึกถึงทานที่เราได้ให้บ่อยๆแต่มีข้อแม้ว่าขานาดนึกจิตต้องเป็นกุศลนะเราเราลองนึกสิครับว่าเราเคยนึกถึงทานหรืออาจจะเป็นกุศลอย่างอื่นที่เราทำแล้วเนี่ย ด้วยจิตเป็นกุศลอยู่เนืองๆเนี่ยผลมันเป็นยังไงกุศลนั้นมีพลังมากขึ้นจริงไม่จริงและเรามั่นคงในในกุศลนั้นมากด้วยจริงไม่จริงอ้าวทีนี้เรามาพูดถึงกุศลบางอย่างที่เราลืมมันไปทำแล้วลืมอาจจะเป็นกุศลอะไรก็ได้หรือแม้แต่การฟังธรรมเราลืมไปเลยว่าใน เราเมื่ออ่านธรรมะหรือเมื่อฟังธรรมะเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นกุศลอย่างนี้เราทอดทิ้งมันจะจนกระทั่งลืมผลก็คือจะทำให้เรานั้นห่างกุศลธรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกุศลธรรมเก่าก็ถึงความแตกทำลายเราทอดทิ้งไปในที่สุดนี่เทียบกับกุศลที่นี้อากุศลนี่ก็เหมือนกัน คนที่มันที่ทำความชั่วแล้วเลิกไม่ได้กินเหล้าแล้วอดไม่ได้สักทีสูบบุหรี่แล้วอดไม่ได้สักทีก็นึกถึงอะไรบ่อยๆนึกถึงว่ากินเหล้าแล้วมันได้ความรู้สึกชื่นใจยางไงบ่อยๆนึกถึงที่ราแล้วมันนำลายสอทุกทีนะนึกถึงว่า ส, สูบบุหรี่แล้วไม่ได้ความรู้สึกยังไงไม่เคยลืมความรู้สึกนะั้น ปลาลบอยู่เนืองๆก็ทำให้คนนั้นเลิกได้ยากที่เรียกว่าใจไม่แข็งพอและคนที่ซ่องเส์อยู่กับอกุศลใดๆเนี่ยนะก็เพราะว่าใจเข้าไปเกาะเกี่ยวบ่อยๆโดยเฉพาะเกาะเกี่ยวความรู้สึกนะนี่เป็นสารละเป็นความติดในบาปเป็นความเพิ่มกาลังบาปอย่างสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้เราโกรธเรานึกถึงความโกรธบ่อยๆมันก็ชวนใจให้โกรธใช่ไม่ใช่ มืดหน้าตาโม่ชวนใจให้โกรธมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนั้นความที่อากูสลเป็นปัจจัยแก่อากูสลหรือความที่เรานึกถึงอากุสนด้วยจิตเป็นอากูสลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรนึกอย่างนั้นไม่ควรนึกอย่างนั้นในทางหลักจริงๆเนี่ยท่านปฏิเสธว่าไม่ควรนึกถึงด้วยจิตที่เป็นอากูสล แต่อาคุศนเราไม่ควรลืมครับอาคุศนเนี่ยไม่ควรลืมแล้วนอกจากไม่ควรลืมแล้วยังควรแก่การขุดคุยอีกด้วยเออไม่ทราบว่าผมพูดไ ด, ได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเสียงค่อยไปหน่อยมะเหรอ่าผมพูดแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองจะกินแรงตั้งเสียงไม่ถูกอะว่า อ, อต่อตรงนี้นะะว่าทําใหม่ ถึงไม่ใช่เฉพาะให้นึกถึงแต่ให้ขุดคุยให้จับจ้องให้หมายตาหมายหัวไว้อันนี้เป็นไม่ไม่ใช่เฉพาะในบรรยากาศการปฏิบัตินะ่ะแม้แต่การทาบุญอื่นๆด้วยต้องสอดส่องทั้งส่วนบุญส่วนบาปอถ้าใครเป็นคนสนใจเรื่องปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติตามควรเนี่ยก็จะเห็นว่า การที่บุคคลเจริญในปฏิบัติแง่หนึ่งข้อหนึ่งก็คือภาวนาจิตของตัวเองนั้นไปขุดคุยจนมองเห็นความชั่วเก่าๆความชั่วที่ซ่อนเล่นที่แยบยลของตัวเองได้มากและละเอียดจริงหรือไม่จริงถ้าใครปฏิบัติแล้วบอกแม่ฉันได้ยานสูงมองไม่เห็นความชั่วของตัวเองเลยดีไปหมดดีมานานแล้วด้วย ถ้าอย่างนี้แล้วแสดงว่าไม่เจริญคนเรียนธรรมะยิ่งเรียนแล้วทาไมยิ่งรู้สึกตัวเองโง่ตอนไม่เรียนไม่คิดว่าตัวเองโง่ชุกมะเรียนน้อยก็คิดว่าตัวเองโง่น้อยเรียนมากกลับเห็นว่าตัวเองโง่มากเห็นอันตรายเห็นพิษภัยของของกิเลสมากขึ้นสําหรับคนปฏิบัติเนี่ยอ่านี่นี่นี่ในแง่ปฏิบัติมันอา่านูมนิดนึงสําหรับบางคนทีนี้ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของการ บริหารใจการทําใจการระพฤกุสรธรรมธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็าจับหลักได้อันหนึ่งอีกว่าถ้าเราเป็นคนละเอียดในโอกาสของบาปที่เข้ามาคอยหาจังหวะในการทําความดีได้ละเอียดเท่าไหร่แยบยนเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นคนชั่วยากเท่านั้นชั่วเพราะไอ้ความดีอันนั้นก็จะยิ่งยากจริงไม่จริง บางคนไม่ค่อยอาจจะทําทานแล้วก็วันนึกถึงด้วยกิเลสอย่างงู้อย่างนี้พวกนี้มักจะเอาบุญเอาคุณกับพระเอาบุญเอาคุณกับกดอย่างกรรมมากจริงไม่จริงแต่ว่าถ้าคนที่เขาระวังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราทําไมเราถึงทําอย่างนี้อ๋อเนี่ยเรามีความคิดอันนี้พอจับได้ผลในทางดีก็คือ เราจะควบคุมและระมัดระวังให้ดีขึ้นกว่าเก่าขึ้นไปอีกใช่ไหมหรือบางคนอาจจะพูดธรรมมาเสร็จแล้วลงไปเสียใจลงไปกลับถึงบ้านหรือลงจากเวทีเสียใจเสียใจว่าไงไม่ให้เราไม่น่าไม่น่าจะไปพลั้งปากพูดไอ้ตรงนี้ไปเลยบางทีก็ดีแต่ก็เสียใจว่าเอ่งี้ไม่ควรพูดพูดแล้วเสียความรู้สึก ไอ้บางอย่างก็ไม่ดียิ่งไม่ควรพูดเสียความรู้สึกไปนั่งเสียใจเสียใจกับไปบางเรื่องดีคนอื่นเขาอาจจะพูดแล้วก็ดีใจมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเราสนทนาอะไรก็เหมือนกันก็ก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เราถึงถึงได้หลักว่า อ, อ, อากุศลรรธรรมที่บุคคลทาแล้ว เป็นภาระหน้าที่เป็นความจำเป็นเป็นความบังคับของผู้ประของผู้เจริญในธรรมเลยทีเดียวจะต้องจับรายละเอียดให้ได้และใครจับรายละเอียดได้เท่าไหร่นั่นแสดงถึงภูมิธรรมที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้นใครที่จับไม่ได้แม่กิเลสหยาบหยาบแสดงถึงความอื่นในกุศลธรรมเท่านั้น ก็ต so so ้องชวนให้คิดถึงว่าเรามองคนที่มีจริยธรรมต่ํากว่าเราเอางรู้ว่าคนบางคนเนี่ยไอเราเนว่าแม้เป็นเราเนี่ยเราเรายังอายแทนที่ทำไมถึงมาแสดงอะไรประเจอิประเจริงี้ใช่ไหมทำไมถึงทาอย่างนี้ทำไมถึงโอดอย่างนี้อายแทนไหมไอทำไมถึงแสดงอาการขึ้นโคโกรกลิ้วอย่างนี้ เรารู้สึกอายแทนนี่พูดถึงว่าคนที่เขามีจริยธรรมต่ำกว่าเราเห็นเห็นนะแต่เราก็ไม่ได้นึกเรากว่าเราเราพิเศษเราก็ต้องนึกเลยว่าคนที่เขามีจริยธรรมสูงกว่าเราเขาคงสมเพชเราเหมือนกันไม่ว่าทําไมถึงทํ า, งงาทอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างชริตี่เขาเขาจับได้ลายทันแต่เรายังจับได้ไม่ได้ลายไม่ทัน มันอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องการรดละและในกรณีที่คนเอากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิเลสอย่างอากุศลเป็นปัจัยแกอกุศลเนี่ยกิเลสจะพอกคูนถ้ากุศลธรรมใดกิเลสเข้าไปจับอย่างนี้อากุศลธรรมนั้นจะถึงความแตกหักเป็นเป็นสนิมมาเป็นสนิมของกุศลธรรมไม่สูงก็จะกัดกร่อนไปในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกหลักอป ARA เจตนาเนี่ย ก็คือหลักนี้อะครที่เขาบอกว่าเพิ่มบุญใช่ไม่ใช่หลักอบปปะรจตนาคือตรงนี้หลักบุพพะเจตนาก็คือตรงนี้มันต่างกับที่การของกุศล น, นั้นว่ากุศลยังไม่เกิดและแล้วกุศลปลาลบกุศลยังไม่ได้ทําเป็นอัประรจตนาเพิ่มบุญใช่ไหมตอนทําปลาลบอยู่ด้วยกุศลด้วยทํากุศลอยู่ด้วยมุนจ่าเจตนาบริสุทธิ์ทำเสร็จแล้วก็นึกถึงด้วยกุศลอีก มุ่จากเจตนาไรดูนี่ถ้าเรามันนึกว่าเราทํากุศลแท้เนี่ยนะตกลงใจวิจารณ์กุศลบุปผาเจตนากิเลสครึ่งกุศลครึ่งมํานั่งปลาจทําและคิดว่ายังไงท่านก็นึกเอาเองว่กิเลสปนอกุศลเป็นยังไงบ้างมีหลายกรณีและในขณะทํากุศลครึ่งอกุศลครึ่งทําเสร็จแล้วก็กุศลครึ่งอกุศลครึ่งแล้วก็บางทีอกุศลอาจจะเจ็ดิ้าเปอร์เซ็ต เรานึกเอาก็กล่าวหรือแปดสิบเปอร์เซ็นตมีกุศลเป็นเชื้ออยู่นิดเดียวอย่างนี้นะ่ะบุญน้อยและคนอย่างนี้จะไม่มั่นคงในบุญพูดถึงว่าพฤติกรรมในทางดีต่อไปผมผ่านเลยไปถึงประเด็นสองว่าอากุศลธรรมเป็นปัจัยแก่กุศลธรรมไอ้ตัวนี้ก็บางทีก็อธิบายไปได้กันคื อ, ครรอกุศลธรรมที่บุคโทษอากุศลธรรมที่บุคคลเกิดขึ้นแล้วแล้วต่อมามาปลาลบ อยู่ด้วยกุศลธรรมในอกุศลธรรมนั้นตรงนี้น่าเป็นบุญและมีหลักว่ากุศลธรรมที่เป็นตัวปาราลบอกุศลธรรมเนี่ยอกุศลธรรมที่ถูกปาราลบมันก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเห็นง่ายเห็นยากอ่าให้นึกตามมาดีนะฮะกุศลธรรมที่เป็นตัวปราลบก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเห็นทั้งเกิดยากเกิดง่ายทีนี้เราลองมามาประสมคู่ดูอกุศลธรรม ที่เป็นของหยาบมากๆและเราละลึกถึงอกุศลธรรมนั้นด้วยกุศลธรรมถามว่าได้บุญมากหรือได้บุญน้อยเอาอย่างนี้แล้กันคนไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายแล้วก็มานั่งเสียใจละลึกผ่้แม่เนี่ยเราทําความผิดความละลึกได้สํานึกตัวที่หลังเป็นบุญเป็นบาปย้ําอีกทีการละลึกได้สํานึกตัวได้ว่าตัวเองทําความผิด เป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญแต่ตอนฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นบาปทีนี้ผมถามว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ตายทั้งคนทั้งสองคนแล้วก็มาละลึกได้กุศลละจิตที่สำนึกในบาปอย่างนี้เป็นกุศลสูงหรือกุศลต่ำบุญมากหรือบุญน้อยแล้วถ้าใครแม้กุศลอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเนี่ยมันบาปมากไหมชั่วมากใช่ไหม แม่ฆ่าพ่อแม่ตายทั้งคนพระมาเทศเท่าไรเท่าไรมันยังไม่ยอมเชื่อเลยมันบอกว่ามันทำดีแล้วถูกแล้วหน้าฆ่าแล้วพ่อคนนี้น้าตายแล้วแม่คนนี้อย่างนี้อิเลสอยากมาก็โดยมากก็พอทําเสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจที่หลังใช่ไหแต่ว่าถ้าไปตบยุงตายตัวหนึ่งฆ่ า, มาแมลงตาตายผุงหนึ่งแล้วมานั่งนึกเสียใจแมเราทาบาป กรเทือนใจวิปติสารร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่มุนเนี่ยนะว่าแม่นี่เราไปทําบาปถามว่าบาปฆ่ายุงฆ่ า, มาแมลงสาบบาปมากหรือบาปน้อยกิเลสอยากกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดละเอียดกว่าฆ่าพ่อค่ะแม่อันนี้ต้องบอกว่าเทียบกับพ่อแม่หรือฆ่าคนและคนที่ระลึกนึกถึงบาปนี้ ด้วยจิตเป็นกุศลว่าบาปหนอเราทําบาปหนอเป็นกุศลละเอียดหรือกุศลหยาบละเอียดครับนี่กลับตาละปัดกันแล้วนะกลับเป็นกุศลละเอียดเพราะอะไรเพราะคนที่จะยอมรับลงชื่อว่าแหมข้ า, มาแมลงสาบสาบบาปช่วยลงชื่อหนะ่อยมีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมเราบางที่เข้าวัดแล้วยังนึกว่ายังดีอยู่เลยยังยังไม่บาปเลย อ้าวทีนี้ถอยลงมาอีกกินอาหารอร่อยแหมพูดอย่างนี้น้าเลิกฟังธรรมะกินอาหารอร่อยเนี่ยบุญหรือบาปเอาเอาแ ง, งธรรมะลึกสูงสูงหน่อยแล้วกันบุญหรือบาปแล้วถ้ากินอาหารไม่อร่อยเบือ่อหงุดหงิดบุญหรือบาปแล้วกินยังไงถึงจะเป็นบุญก็กินอยู่ตรงกลางก็ไม่เป็นบุญนะคือไม่ยินดียินร้าย แต่ไอ้คาว่าอร่อยเนี่ยยังอร่อยได้แต่มันอยู่ที่ความยินดีไม่ยินดีผิดถูกันอยู่ที่การกลมจิตนะอาหารไม่อร่อยกลิ่นเหม็นก็รู้ว่าเหม็นไม่อร่อยแต่ไม่เกิดโทมนัตอาหารอร่อยกลิ่นหอมรู้ว่าอร่อยแต่ไม่เกิดอภิจานั่นเป็นบุญเป็นบุญในทางชั้นสูงอ้าวทีนี้มาพูดถึงว่ากินอาหารอร่อยเป็นบาปนี่ไปเที่ยวพูดกับใครก็ได้ ถ้าสมมุติว่าเราไปพูดต่อหน้าทารักกำนันออกทังสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าบาปมีกี่อย่างอย่างหนึ่งก็คือกินอาหารอร่อยคนเขาคงไม่ไม่ฟังนะะหาว่าเราบ้าอะไรทั้นมาว่ากินอาหารอร่อยบาปบาปแ ล, แ ล, ล้วตรกนรกขุมไหนอทีนี้ไอ้ตรงนี้น่ะเราเองถึงจะฟังหลักการว่ามันเป็นยังไงแล้ว ง่วงก็เป็นบาปคิดฟุ้งเล็กๆน้อยๆก็เป็นบาปกินอาหารอร่อยก็เป็นบาปดมดมกลิ่นหอมชอบหน้าชอบใจก็เป็นบาปแล้วแม่ก็ตั้งว่าเรา่านั่งในท่าที่สบายพอใจบาปอีกเมื่อไหรขึ้นมาไม่พอไม่ชอบใจเปลี่ยนบาปอีกบาปวันยังค่ําำจริงๆนะบาปวันยังค่ําชีวิตเราเนี่ยในขั้นกิเลสละเอียดเนี่ยเราบาปวันยังค่ําแล้ว คนที่จะได้บุญวันยังค่ําก็คือคนเจริญกุศลขั้นละเอียดเจริญภาวนานะบุญวันยังคำ่ำเพราะว่าบุญกระบาปเนี่ยมันระดับต่อระดับมันมันหักอาหารกับระดับต่อระดับระดับทานระดับหยาบๆก็ระดับนั้นไปอ้าวทีนี้มาพูดถึงตรงนี้ว่าถ้าใครคนไหนกําหนดเห็นทราบซึงว่าโอ้นี่บาปกินอาหารสัมผัสครั้งหนึ่งอร่อยบาบ หน้าตามันเป็นอย่างนี้เองแล้วขนของบาปอันนี้มันเป็นอย่างไรก่อพบก่อชาติยังไงเห็นชัดเจนแก่นแจน้งอันนี้เรียกว่าจิตเป็นกุศลมีอารมณ์เป็นอกุศลและคนปฏิบัติกรรมฐานก็คืออย่างนี้ทั้งนั้นคอยดูอภิชาดูโทมนัสไปเรื่อ ย, อยว่าอภิชาโทมนัสอะไรเกิดขึ้นในอะไรและนั่นคือการละด้วยสติ มีอกุศลเป็นอ า, ารมณ์เพราะนั้นในสติปทานก็พูดในประสูนทั้งหลายที่พูดถึงปฏิบัติก็พูดเช่นว่าเมื่อสังโยชน์ปรากฏก็รู้ว่าสังโยชน์ปรากฏเมื่อสังโยชน์ละไปดับไปละขณะไปก็รู้ว่าสังโยชน์ดับสังโยชน์ที่ปรากฏปรากฏเพราะเหตุปัจจัยอะไรก็รู้เหตุปัจจัยที่ทาให้สังโยชน์นั้งเกิด อังโยคือกิเลสอะนะฮะที่ว่าเป็นอย่างละเอียดก็คอยดูแล้วก็คือการการละลักษณะอย่างนี้อากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลจึงมีเป็นชั้นรายละเอียดต่างขั้นต่างระดับกันเป็นอันมากก็เป็นอันว่าถ้าตกลงสรุปตรงนี้ถ้าพูดแล้วจะได้สรุปและเลยไปนะสรุปว่าเราเอง ที่เราเคยพูดกันว่าการตีค่าความชั่วความดีที่เราตีได้ขนาดนี้การให้ค่าความดีความชั่วของเราที่มีอยู่ขนาดนี้นะเรามีอย่างไรแค่ไหนนั่นคือระดับของภูมิธรรมที่เกี่ยวกับความที่ในนี้กล่าวว่ากุศลธรรมเป็นเอากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เราจับได้ และข้อสรุปีกยาหนึ่งว่าอากูส ล, ละธรรมที่เป็นอารมณ์แก่กูสลเนี่ยความหมายในทางได้ในทางกวรเจริญก็คือถ้าอากูสลถูกกูสลเข้ามาจับฉวยเป็นอารมณ์นั่นคือการยับยัง้งทำให้สั่นสะเทือนทำให้ใครสั่นสะเทือนครับกิเลส ถูกควบคุมถูกจํากัดและถ้าเรากําหนดอย่างนี้อย่างทุกกิเลสทุกอย่า ง, างมาเนี่ยนะทั้งกิเลสเก่ากิเลสใหม่กิเลสปัจจุบันเนะี่ยกุศลเข้าไปควบคุมในที่สุดกิเลสจะกลายเป็นบอนไซถูกปลูกอยู่ในกระถางคือกุศ ล, ลธรรมในหลวงก็ค่อยๆเหีย่ยวแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกลเกินธรอย่างนี้เหีย่ยวไปเหี่ยงมาในหลวงก็เน่าตายไป แห้งตายไปในที่สุดเมื่อกุศ ล, ล, ลเพิ่มกำลังมากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้กุศลเพิ่มกำลังหรืออย่างน้อยก็ยับยั้งอกุศลไม่ให้ระบาดใหญ่โตแล้วกุศลเองก็กุศลนั้นปรากฏตั้งมัน่นหรือเพิ่มกำลังขึ้นไปเรื่อยๆท่านจึงเรียกว่าเจริญกุศลการเจริญกุศลนั้นทั้ง จเจริญได้ทั้งในความชั่วแล ะ, จะเจริญได้ทั้งในความดีและในสิ่งที่ไม่ชั่วไม่ดีจเจริญได้หมดอา้าวเรายกตัวอย่างชัดตัวนี้นิดหนึงน่งว่าเมื่อเราเห็นรูปที่น่าชอบใจน่าไม่ชอบใจคือเห็นแล้วโกรธเองแล้วชอบไปแล้วจังเนี่ยแล้วเราเอาสติเข้ามากำหนดคือเอากุศลขั้นภาวนาใหม่มากำหนดรู้กำหนดรู้ตรงไหนอะไรบ้าง ท่านก็แจ้งให้เห็นว่าอันไหนเป็นส่วนบาปส่วนบุญส่วนอรยยกตากําหนดตรงไหนถ้าถามว่ากําหนดตรงไหนตรงนี้บางคนเขาบอกว่าเอ้ยจะไปกําหนดรูปได้ไงจะกําหนดตาได้ไงต้องกําหนดจิตสิกําหนดตรงไหนถูกทั้งนั้นท่านสอนให้กําหนดท้งนั้นเมื่อตาเห็นรูปกาหนดรูปด้วยกาหนดประสาตาด้วยการกาหนดรูปกาหนดประสาตา ตัวกําหนดเป็นกุศลตัวถูกกําหนดเป็นรูปอารมณ์เป็นไรอย่าไปถือนิมิตอย่าไปถืออนุปัจจนะเห็นสัต่ว่าเห็นเป็นอพยากตะประสาท ต, ตาเป็นอพยากตะและกําหนดจิตเห็นซึ่งไม่คยจะทันหรอกนะแต่พูดหนูว่าถ้ากําหนดเห็นเห็นสัจ่รรมเห็นกําหนดจิตเห็นคือกําหนดจากสู่วิญญาณด้วยกุศลลจิตจากสูวิญ ญ, ญาณนั้นเป็น อภิญญาคตรทำอีกเพราะขณะเห็นเนี่ยมันไม่เป็นบุญเป็นบาปทีนี้เมื่อเห็นแล้วเราเกิดความยินดียินไล่ก็กําหนดความยินดียินไล่เป็นอกุศลธรรมเป็นการกําหนดอกุศลธรรมแต่จิตยังเป็นบุญอยู่นะถ้าเห็นแล้วไม่ยินดียินรไล่สติไว้มาก เราก็รั่วอเราเห็นรูปแล้วเราได้สติหรือเห็นรูปแล้วเราเกิดกุศลจิตเพราะรูปนะก็ชื่อว่ากําหนดกุศลสติกําหนดกุศลคือกุศลกําหนดกุศล <c oughs> ดังนั้นคําว่าเจริญกุศลเนี่ยท่านหมายถึงเจริญอารมณ์ของกุศลหรือกําเจริญกุศลที่เป็นตัวกําหนดอารมณ์จำเอ่อจำเริญหรือเจริญ กุศลที่เป็นตัวกําหนดอารมณ์ที่เรียกว่าจเจริญเจริญตรงนี้ที่เรียกว่าจเจริญในทางปฏิบัติเนี่ยเจริญตรงนี้จเจริญกุศลที่เป็นตัวกําหนดอารมณ์เพราะฉะนั้นกุศล น, นี้นึกถึงบาปก็จเจริญกุศลก็เจริญแต่อกุศลที่ถูกนึกถึงไม่จเจริญถูกละถูกระวังอยู่ด้วยหลักของสามัคคีธรรมสีนะฮะ อันนี้เป็นหลักคกว้างหลักใหญ่ๆทีนี้ที่จะให้ดูอันหนึ่งก็คือในกรณีข้อสามเนี่ยมูนจะอธิบายเป็นพิเศษอันหนึ่งว่าขันทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยะบุเพนิวาสานุสติยะถากรรมูอนาคตังส์อันนี้เป็นเรื่องอภินญญิย่าเคยให้ข้อสังเกตแต่ว่าที่ที่กล่าวถึงตรงนี้นะบังเอิญเจอหลักฐานจังๆเขาเลย อย่างที่ผมเคยให้กับตองเกตมานานแล้วว่าพระพุทธเจ้จาคืนตรัสรู้เนี่ยท่านมียพิยาครบหมดใช่ไหมฮะขอก็ได้จําแลงกายก็ได้ไปพรมโลกโดยกายก็ได้ตาทิพย์ก็มีหูทิพย์ก็มีผอดกายทิพย์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าในคืนตรัสรู้เนี่ยท่านระบุอาพิ ญ, ญาที่ปรากฏอยู่แค่สองอย่างในสองอย่างนี่มันเป็นสามที่จริงมันมีสามแต่ว่าที่เป็นอภพญยาโลกียะอ่ะเดี๋ยวไล่ก่อนว่ามีอะไรบ้างบุเพะระลึกชาติก่อนจูตู ใช่ไหมเราเลิกถึงจุติไอ้ข้อนี้บางทีเรียกทิจักตูจุตูแล้วก็แบ่งเป็นยถากรรมูด้วยปนกันอยู่ในนี้นะรวมเรียกในที่นั้นว่า อ, อบุฟเพแล้วมาจุตูปปาตยาแล้วก็อาสวัคคายายอาสวัคคยายานเนี่ยเป็นโลกตระเป็นอภิญญาโลกตระอภิญญาฆ่ากิเลสอีกสองยานเนี่ยเป็นอภิญญาโลกียะที่สําเร็จจากฌานคนอื่นงานได้ <c oughs> เราก็อ่านมานานแล้วก็ น, นึกว่าเอ๊ะอภิญญามีทั้งเยอะทําไมพระพุทธเจ้าได้แค่สองความจริงจริงจงท่านไม่ใช่ได้แค่สองนี้ได้ทุกอย่างแต่ตรงนี้นะเรียกว่าเอามาใช้เอามาใช้ใช้ทําไมใช้เป็นบาตรเป็นประโยชน์แก่วิปัสสนาในหลักฐานได้พูดเอาไว้ชัดเลยว่าในบรรดาอภิญญาทั้งหลายเนี่ยอภิญญาสองหรือสามนี้เท่านั้น ที่เกื้อกูลต่อวิปัสสนาเราเราสงวนอาตวรรกไว้ไม่ต้องพูดถึงนะถือว่าเป็นเป็นเป็นสายวิปัสสนาแต่ที่ว่าเป็นสองหรือสามเนี่ยเพราะว่าจุตูเนี่ยเป็นที่ประจักสุเป็นอ่าเป็นอายะธากรัมรมูป่ปนกันอยู่ในนั้นเรียกจุตูอนุเคราะห์มากเป็นประโยชน์มากเกื้อกูลมากแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาและท่านท่านพูดต่อไปว่าสุวนอภิญญาอื่น ไม่เป็นอุปการะอย่างนี้อ่าก็หมายความว่างงอย่างเช่นว่าเราทําวิปัสนาแล้วไปทำฤทธะจําแรงกายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อวิปัสนาไหมไม่เป็นไม่เป็นเครื่องเกิอกูลเพราะอะไรเพราะร ะ, ะลึกถึงชาติก่อนบุเพนิวะสานุสติเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการแจมแจ้งในนามรูปในการล่วงย้อนไปสู่อดีตยานสองนี่นะฮะปัจญญาปริญญาณนะ รละลึกชาติได้แบบวิปัสนาอาศัยและลึกชาติได้แบบที่ประจักษสู่ช่วยแบบแบบพิยาช่วยแล้วก็อนาคตงจูตูปปาตาระลึกถึงอนาคตระลึกถึงกรรมตาทิพย์เห็นนามรูปในส่วนที่เป็นอีกมิติที่คนธรรมดามองไม่เห็นได้ด้วยด้วยตาธรรมดาเป็นประโยชน์ต่อวิปัสนาเพราะวิปัสนาเนี่ยเห็นทั้งอดีตอนาคต แทงตลอดนามรูปจากปัจจุบันไปสู่อดีตสู่อนาคตใครมีภูมิอดีตเท่าไหร่และใช้เป็นเป็นประโยชน์แก่วิพัฒนาเท่านั้นใครเข้าใจอนาคตเท่าไหร่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะนั้นอย่างบอกบอกเนี่ยฉันต้องบอกว่าถ้าคนยังไม่ได้พัญญาเนี่ยนะจะต้องมีอาทิพรมอาจารย์อันหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่วิพัฒนาคือเชื่อเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อว่าชาติก่อนมีกรรมเก่ามีอย่างน้อยต้องเชื่อเป็นธรรมนัมมาทิตฐิถึงยังไม่เห็นกระหูกระตากระตาเชื่อว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นอาทิปรมจ ร, ร์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนะว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าขอพระองค์จงประทานบอกแก่สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้โดยเร็วแต่โดยยอ่อตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอตรงยัง เบื้องต้นของพระโรมอาจารย์ให้ถึงพร้อมอะไรเป็นเบื้องต้นของพระโรมอาจารย์ศีลเป็นเบื้องต้นของพระโรมอาจารย์อันหนึ่งทิฏฐิสําคัญเป็นเบื้องต้นของพระโรมอาจารย์อันหนึ่งไอไ้อตรงเนี้ยเข้าใจแล้วมันช่วยได้อธิบายได้หลายอย่างหลายอย่างหนึ่งคือเป็นแรงบันดาลใจเป็นเครื่องประกอบความสังเวชนั่นก็ได้และเป็นเครื่องอํานวยแก่การแทงตลอดของวิปัสนาญาณไปโดยง่ายสู่อดีตอนาคตการเห็นอดีตอนาคตอย่างวิปัสนาเนี่ยคือเห็นอย่างวิปัสนา ไม่ใช่เห็นอย่างตาติซึ่งมันคนละโลกกับโลกสมมุติก็โลกปรมาจิตตรงนี้ผมผมไม่ม่อธิบายคืบเข้าไปก็เป็นอันว่าประเด็นสองเนี่ยเราพูดผ่านไปได้ตรงนี้นะทีนี้มาถึงประเด็นสามอากูศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อพยากตาเนื่องจากว่าอพยากตาจิตมันเป็นอย่างของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นจิตที่ไม่เป็นไม่เป็น ช่องทางของการปฏิบัติสำหรับอย่างเราเออมันมีฐานะเป็นเพียงจุดหมายปลายทางข้อนี้อธิบายว่าไงนอนหลับจิตเป็นอะไรอัพยาคตาหลับแล้วได้อะไรได้อะไรในทางเจริญธรรมบ้างเคยพูดกับคนหนึ่งที่เขาดูแลสำนักผมผมขอใช้สำนัก แล้วก็ถ้าผมจะไปแล้วผมนอนตะพื้นเลยนี่จะเกิดอะไรขึ้นไหมพูดให้เขาตกใจเล่นกินแล้วผมก็นอนเมื่อยก็นอนพยายามนอนตะพึ้นแหละมันจะบรรลุอะไรได้ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งเราคิดแบบเผิอๆมันแปลกแต่คิดละเอียดแล้วก็ไม่ใช่แปลกอะไรว่าคนนอนนคนไม่ได้ทำความชั่วอะไรนะ ใจก็เป็นกลางไมยินดียินไล่มันน่าจะบรรลุอะไรนะน่าจะนอนแล้วจเจริญในความดีศรัทธาแรงยิ่งขึ้นสมาธิดียิ่งขึ้นยิ่งนอนมากก็ยิ่งดียิ่งขึ้นความเพียรดียิ่งขึ้นปัญญาแต่งตลอดดียิ่งขึ้นมันยักไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าจิตมันเป็นอภยาคตะไม่บุญคือไม่ ไม่อาจจะตีค่าในทางจริยธรรมได้โดยความเป็นบุญเป็นบาปถามว่าคนนอนแล้วมันเลวไหมเลวเพราะไอ้นอนจิตนอนไหมไอ้เลวไปกระทบอย่างอื่นได้กระทบโดยอ้อมได้แต่ว่ามันไม่ได้เลวในตัวมันเองเช่นว่าพอตายไปอยู่บาลเรียกไปเลยเช็คบอกแกนี่บาปมากนอนวันละตั้งสชั่วโมงต้องไปลงนระกข อ, อนี้ ไม่คือในตัวมันเองมันไม่บาปมันไม่เป็นความผิดในตัวมันเองแต่มันเป็นความผิดที่ข้อปลาลกความนอนเป็นความถูกที่ข้อปลาลกความนอนเป็นประโยชน์ที่ไอความนอนมันเกื้อกูลได้บ้างคือมันไม่ได้เป็นในตัวมันเองมันเป็นนอกตัว เช่นว่าเรานอนแล้วก็เอาความที่ได้นอนเต็มที่มาทำประโยชน์อย่างอื่นเมื่อตื่นแต่มันไม่ได้ทำตอนนอนนะบางคนละจังหวะ ก, กันเหมือนกับ ก, ก, ก, การพักการพักก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์ในตัวมันเองในการพัก แ, แล้วก็ความชั่วก็เหมือนกันนั่นที่พรเจ้าตรัสตำหนิคนนอนมากไม่ได้ตำหนิในเข้าไปในตัวจิต แต่ตาหนิที่ที่ไหนครับที่จิตเข้าไปปลาลกเหมือนอาหารอร่อยอภชนะอันประณีตความผิดไม่ได้อยู่ที่โภชนะแต่ผิดที่ไหนครับผิดที่ผู้บริโภคว่าบริโภคอย่างไรความผิดนั้นก็เกิดที่การบริโภคความหลับก็เช่นเดียวกันไม่ได้ผิดที่ความหลับ ผิดที่ผู้บริโภคความหลับนั่นคนที่ปลาลบความหลับอย่างเป็นที่ตั้งของความขี้เกียจก็เป็นความผิดตรงที่ขี้เกียจนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้นะเมื่อบุคคลระลึกถึงจิตที่เป็นอกุศลในกรณีไหนบ้าง เนื่องจากว่าอัพยากระตจิตเนี่ยเป็นจิตที่ซ่อนเล่นพูดยากแล้วออไม่ไม่เป็นมุมในทางปฏิบัตินะพูดแล้วก็จะเข้าใจยากคนที่จะเข้าใจได้ดีคือคนที่เข้าใจในเชิงหลักการนะฮะอย่างเช่นในวิถีจิตเนี่ยมันก็จะมีจิตที่เป็นเป็นบุญเป็นบาปปนกัน อ, อ่ถ้าเรานึกถึงวิธีจิต พ า, าาาพาวังกจชนณพระวังกุปัตเจตธาบัญจาทวาราชนะจากสู่วิญญาณเห็นรูปสมมุติเราเห็นรูปสัมปติชนะรับรูปที่ตายเห็นแล้วมาเพื่อนำไปสู่การพิจารณาัอนที่ลนาพิจารณารูปที่สัมปติชนะรับมาแล้วส่งไม้อาวุธธปนะตัดสินพูดยังไงตัดสินรูปนั้นอันนี้เรานี่เป็นอพยากระตาทั้งนั้นเลย ตั้งดาวเริ่มต้นมาจนถึงวอดถวนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นโวอดถาวนารับรูปเนี่ยไอ้รูปเป็นเป็นอภิญาคตะเหมือนกันไม่ใช่อกุศลนะพอมาถึงชาวนะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็เป็นบุญเป็นบาปไปถึงสังถึงตถาลัมมณะเป็นอภิญาคตาอีกนะเวลาที่เรานึกถึงจิตที่เป็นบาปเนี่ยมันก็จะถึงชาวนะเป็นบุญหรือเป็นบาปพอถึงตถาลัมมณะเป็นอภยาคตะมันก็มองไม่เห็น ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติได้สำหรับกรณีนี้ทีนี้ในกรณีที่มันเป็นเป้เปาหมายก็คือว่าคนที่เป็นพระอาหารหันต์เวลานึกถึงอกุศลแล้วเนี่ยจิตเป็นกลางร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาป เราเองที่เราเจริญบุญเจริญบาปเนี่ยก็เพื่อทิ้งบุญทิ้งบาปหมายถึงทิ้งทำจิตนะไม่ใช่ทิ้งอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยพระอาหารหันต์ท่านก็ยังนึกถึงความชั่วข้งท่านละเอียดทําความชั่วไว้ข้ามภูข้าข้ามชาติมาเล่าได้แล้วก็จะสอดส่องละเอียดกระทั่งว่าหนามตามเท้าครั้งหนึง่งทำความชั่วอะไรไว้นึกได้ คนเขาด่ากลั้งบางความยั่วอะไรไว้นึกได้นึกได้จริงๆด้วยนะกี่พบกี่ชาติเห็นตะลุหมดเลยไอ้ของเราไม่ตะลุอวิชามันมันปกบงังกําลังปัญญาอย่างน้อยก็เห็นเท่าที่ที่เห็นได้นึกได้แต่ของท่านเห็นได้แต่ว่าจะเป็นชั่วหรือดีเก่าๆของท่านที่ท่านนึกถึงแต่จิตท่านเป็นกลางเสมอ เรียกว่าเป็นอัปยากระตาเจวนะเป็นกลางไอ้ของเราเนี่ยเราพยายามจะฝึกจิตให้เป็นกลางแต่มันไม่ใช่กลางแท้จริงไม่ใช่ไอ้กลางเนี่ยมันมีกลางสองแบบหนึ่งกลางจากบุญจากบากลางโดยความเป็นบุญเป็นบาตรร้อยเปอร์เซน์อย่างพระอรนนี่นะสองกลางจากอภิชาโทมนัส ที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญบุญเจริญกุศลอย่างคนที่ทำวิปัสนาเนี่ยก็ทำกําหนดจิตให้เป็นกลางเป็นวิปตนุเบคานำาพิจาโทรมนั้ออกได้เรียกว่าเป็นกลางตรงนี้ไม่ใช่กลางโดยความเป็นอปยาคตาธรรมนะกลางจากบุญและบาปฝ่ายรักฝ่ายใจที่เป็นอุปสรรคแก่กุศลที่ตัวเองมุ่งเจริญอยู่ในขณะนั้น นั้นเมื่อกลางได้ก็มีความหมายว่าจิตที่ตั้งหลักกลางได้ในแต่ละขั้นเนี่ยเป็นบุญที่ดีขึ้นละเอียดขึ้นไม่ใช่เป็นอภิญากาตาแต่ว่าการเป็นบุญที่ดีขึ้นละเอียดขึ้นก็มุ่งไปสู่ความเป็นกิริยาภายหลังคือเป็นพระละาลหันอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกลางอย่างไม่ต้องบริหารแล้วกลางอยู่ตัวในที่รุสถานในการทุกเมื่อทุกอารมณ์ เฉยหมดไอ้ของกลางของเรามันกลางอย่างบริหารยังเป็นบยังเป็นกุศลอยูอ่ผมอ่านข้อความในนี้สักหน่อยก่อนข้อสามเนี่ยนะฮะว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่พยากตาพระอรหันต์พิจารณากิเลสที่ละแล้ว รู้กิเลสที่เคยเกิดมาแล้วในการก่อนๆอเอาสองอย่างนี้พูดไปด้วยกันพิจารณากิเลสที่ละแล้วข้อนี้ท่านหมายถึงปลาหลานเมื่อบรรลุปเป็นปลาหลานแล้วปัจเจเวขนายานเกิดเกิดแบบระลึกถึงอกุศลที่ตัวเองเพิ่งละมายกยกรู้ว่ากิเลสทั้งหลายที่สั่งสมอยู่ในระดาบเวลาชานานเนี่ย เราละได้แล้วเพราะนั้นบทพรนาถึงคุณพระบติถึงพระรามในพระสูตรทั้งหลายท่านถึงพูดไว้เป็นพันๆที่เนี่ย <c oughs> ว่าทาที่สุดแห่งทุกู้ว่าตัวเองทราบจิตแล้วลงมาจรรันท์อยู่จบแล้วแล้วก็โยคะโยคะซึ่งเป็นชื่ออีเลส ตัวเองถอนได้โปร่งภาละแล้วปร่งภาละก็หมายถึงกิเลสภาละด้วยอันธภาละด้วยนั้นท่านก็จะรู้ก็เลยตรงนี้เราเราเราเร า, เราถอยลงมาสู่ระดับเราเนี่ยคนจะเริญนกุศลทุกๆระดับเนี่ยจะอยู่ในกฎอันนี้เหมือนกันหมดคือหนึ่ง ความชั่วที่ตัวเคยมีความไม่ดีที่ตัวเคยทำรู้ตื้นลึกหนา บ, บางแล้วแต่ระดับความดีถ้าคนจะดีเนี่ยจะรู้อันนี้และความชั่วอะไรที่ตัวเองแก้ไขได้ทุเราได้ลดละได้ทำให้ตันเตือนได้รู้ใช่ไหมผมถามว่าคนเข้าวัดเนี่ยถ้าถามและมีคนก็ถามว่า ไหนตอบซิว่าเข้าวัดล ะ, ละอะไรได้บ้างตอบได้ัหมรู้ไหมตอบว่ารู้ไอที่ไม่ตอบวันนี้ยเรื่องไม่เดจะหาว่ากุยอวดแต่คนที่ไม่รู้เลยเนี่ยก็คือคนไม่ดีคือเลยไม่ได้เข้ามาหาธรรมะไม่ได้เข้ามาสร้ความดีแล้วเข้ามาอย่างอื่นเข้ามาแล้วกิเลจเจริญเติบโตขึ้นไออย่างนั้น ก็ไม่ได้เข้ามาหาธรรมะตอบว่ารู้ได้ใช่ไหมฮะผมก็รู้ท่านทั้งหลายก็รู้แล้วก็ตอบได้เลยว่าดีขึ้นยังไงนี่แค่แค่ธรรมดาเนี่ยนะถ้าคนปฏิบัติธรรมถึงขั้นอรหันเนี่ยไม่เช่รู้เหล่าๆอย่างนี้รู้ละเอียดชัดเจน ว่าทำไมถึงละได้ยังไงก็รู้ได้ด้วยนั้นปัจเจเวเองถึงพิจารณานี้และกิเลสที่ขมแล้วคาว่าขมเดี๋ยวทษกิเลสที่เกิดขึ้นในการก่อนๆนพาราะาันผิดคอบไปนะกิเลสที่เกิดขึ้นในการก่อนๆซึ่งหมายความว่าพระอรหันเนี่ยมองย้อนกลับไปสู่อดีตอย่างเช่นเวลาท่านเล่าถึงความชั่วที่ได้เคยทาเมื่อ เมื่อครั้งก่อนๆบางทีก็ชาตินี้แล้วความชั่วนั้นบางองค์ก็เล่าว่าเมื่อก่อนนี่ทําอตตะกรมฐานโยกก่อนที่จะมาบวชเป็นพระล้านเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยเป็นคนมีมานะจัดท่านก็จะมาเล่าให้ฟังมาปรุงสังเวชให้ฟังอย่างที่พูดที่พธิลลภก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่มีอยู่ในนั้นดังนั้นบางท่านก็ เป็นคนเคยเป็นโจรปล้นสะดมเข้ามาเป็นอน า, ารหันแล้วก็รู้ชัดเลยฮะรู้ชัดเลยโอ้เราทำความชั่วมาอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าเราเคยประมาทมาเช่ในใครบางพระองคุริมานเป็นต้นทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาปลารบ ด้วยจิตที่เป็นกิริยาจิตเป็นกลางแต่ดูความชั่วเก่าๆที่ที่ที่ละมาแล้วที่เคยทํามาแล้วขณะพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้พิจารณาอย่างเป็นวิปัสนาแต่ในกรณีที่ท่านกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นแจ้งอากุศ ล, ลธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนั้นตากรณนีตรงนี้พิจารณาอย่างเป็นวิปัสนาทีนี้พระอรหัน์เนี่ย ควาจริงก็ไม่ต้องถึงขั้นนาลานแล้วเป็นแค่โสดาบันก็พอเวลาท่านทําวิปัสสนาเนี่ยไม่เป็นเรื่องใหญ่โตไม่กระตกระตากเหมือนอย่างเราเราก็กตกระตากกตกระตากนี่สำนวนเรียบนะนะไม่ได้แปล ว, ว่าไปเที่ยวพูจาเอามาเทิ้งอะไรหรอกเรารู้สึกมันเป็นทางการนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่อง ต้องเตรียมการมากอนนตามภาษาคนที่กุศลขั้นนี้ไม่มีกำลังเหมือนคนกุศลขั้นทานไม่มีกำลังเนี่ยขั้นศีลไม่มีกำลังโอ้โหแม้จ ะ, จ ะ, จ, ะจะทาทานามศีลดีต้องเรื่องใหญ่นะคิดแล้วคิดอีกวางแผนแล้ววางแผนอีกเตรียมการแล้วเตรียมการอีกทานน้นทานนี้นะ จะรักษาศีนแต่ละข้อได้ไหมใหญ่โตแล้วเกิต้องนั่งเถียงกันนานผมพูดคนามาบอกคนหนึ่งให้เขารักษาศีนนะเพื่อนประกอบอคำแนะนำอะไรบางอย่างที่ให้เขาเนี่ยต้องมานั่งเถียงกันนานนะเรื่องอะไรครับเขาก็ า, ายังอดฉีดยาค่ายุงค่าไอแมงสาบไม่ได้ เถียงกันนานนะเถียงแล้วผงก็ยังเห็นว่าเขายังไม่ยอมรับหรอกยังไม่ยอมรับนะก็เลยจําเป็นบอกคุณคุณช่วยแกล้งแกล้งรับหนะ่อยได้ไหมต้องต้องให้เขาเห็นแก่แก่แก่เราจะได้แกล้งแกล้งแล้วกุณไม่เชื่อไปแล้วเขาเถียงว่าครับเอ้ไม่ข่ามมันได้ยังไงดูสิเนี่ย มันตอมนู่นตอมนี่มันเก่าคงไม่พูดไปพูมาอย่างจะเอาบุญนี่นะบอกนี่ฉันทำเลยช่วยคนอื่นเขาแล้วเนี่ยลูกหลานฉันสบายขึ้นเยอะ <c oughs> ไม่ไปลบโกงคนอื่นนะถ้าฉันไม่ทําแล้วใครจะทํานี่ฉันทำเนี่ยนีย่กลายเป็นจะเอาดีแลไหมเออทีนี้เ อ, อพูดถึงว่า ถ้าเป็นคนทำบุญอะไรอันหนึ่งจงกนกระทั่งมันทำนานทะลูบวปหลงไม่ยากเลยเพราะว่าทาสมาธิดี๋ยวนี่นั่งลืมตาเงี้ยคนไม่รู้ว่าทาสมาธิแต่ทาและไม่ต้องมาจัดท่าอย่างงน้นอย่างนี้แคนไม่เคยก็ต้องมานั่งแต่งท่าต้องหลับตาต้องอย่างงูอย่างนี้นพระอาหารหันเนี่ยท่านสามารถจะกำหนดจิตเป็นวิปัสสนาได้ ตลอดเวลาทุกที่ทุกสถานนามรูปมีอยู่ทุกทีและท่านทำได้ทุกที่ไม่ลำบากเหมือนอย่างเราก็เลยท่านเนี่ยจะมีนิสัยปกติอันหนึ่งด้วยถือว่าเป็นผาสุขวิหารธรรมคืออะไรอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ในไว้ใจท่านตลอดเวลาและ ท่านมักจะต้องปลาลบอย่างอดไม่ได้เหมือนอย่างคนในหัวมีอณิจังตักงหนาตาเนี่ยนะเห็นอะไรมันก็มาสรุปจบตัวนี้สรุปจบตรง น, รบบรงนี้ไม่ว่าดีว่าชั่วนั้นท่านจึงมักจะแถมพกด้วยเรื่องของอารมณ์วิปัสสนาเสมอเป็นของไม่เที่ยงความจริงหลักตรงนี้เราควรจะเรินลอยตามนะ อา น, นิจังทุกขังนตาเนี่ยดีจริงๆครับเอฟเขาได้พูดบ้างแล้วหรืมั้งว่าอา น, นิจังทุกขังนตานึกถึงแล้วมันมันรักษาผลประโยชน์ในทางกุศลได้ดีจริงๆนะฮะป้องกันอากุศลได้ดีจริงๆเสี่ยนว่าความสําเร็จใดๆ ไ, ได้มาแล้วเราอาจจะเรื่เต้นดีใจแต่ก็มองไปถึงจุดจบของมันโอในที่สุดก็ก็อย่างนี้ ไม่มีอะไรเราเห็นหน้าตัวเองในกระจกไหมฮะเราเนี่ยังหนุ่มอยู่นะยังสาวอยู่นะสวยงามดีพอนึกถึงวกยน้อยก็เหี่ยวย่นแก่เสื่อมโทมมองจุดจบภูมิใจไหมให้ความภูมิใจมันก็ไม่เกิดมันก็กหลดฮนะได้อะไรมาอันนี้จังเข้าไปใส่ปับ๊บ มันไม่หลิงโลดทุกอย่างดังนั้นอานิจังเนี่ยเอาครอบอะไรไปในอารมณ์ทุกๆอย่างได้แล้วไหลใจยิ่งเบาเท่านั้นพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนี้อยู่ในสำนึกเสมออันนี้อีกข้อหนึ่งว่ารู้จิตของบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอกุศลจิตด้วยเจโตบริยายานอันนี้เป็นเป็นจิตคนอื่นนะครับเจโตบริยานเนี่ยรู้จิตคนอื่นจิตของเราเนี่ยต้องอาศัยเจโตบริยยานไหครับ ถึงจะรู้เช่นเรากโกรธเนี่ยเราต้องเข้าฌานสมาบัติรู้ว่าเราโกรธนะไม่ต้องแต่เป็นจิตคนอื่นเนี่ยแค่จะรับรู้เหมือนอย่างเรารู้จิตรเราเนี่ยต้องมีความสามารถพิเศษแต่ไอจิตของเราที่เราจะนึกรู้อย่างตีฆ่าอะไรลงไปได้ละเอียดทุกฟอกทุกมุมนะเราไม่ได้อาศัยเจโตแต่อาศัยสติสมาธิยั ความโกรธที่เรารู้อยู่จับมันได้เนี่ยเรารู้มันแงหนึ่งมุมหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเรารู้เหมือนไม่รู้ไอ้บางอย่างอีกหลายอย่างเราก็ไม่รู้คนที่มีเจโตบริยะรู้จิตคนอื่นเนี่ยนี่ผมเทียบไม่ฟังบางทีก็รู้แค่ว่ารู้ว่าคนอื่นก็คิดยังไงแต่ว่าไม่ได้รู้ในเชิงค่าอย่างอื่นเหมือนกับเรารู้จิตของเรา หมอที่ดูคนอื่นดูนิสัยคนอื่นดูชะตากรรมคนอื่นเขาก็รู้ได้แก่มิตินั้นแต่ไม่เคยนึกเป็นอย่างไอ้มิติในเชิงธรรมะได้ก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นหมอดูที่เห็นหน้ารู้ใจก็ไอความรู้นั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้หมอบางคนที่มีภูมิธรรมประกอบด้านอื่นน้อยเนี่ย ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรนอกเหนือไปจากรู้แล้วก็ใช้ความรู้ในทางประกอบอาชีพเราเห็นคนอื่นโกรธแล้วรู้คนอื่นโกรธเนี่ยมันก็มีทั้งหลายแบบใช่ไหมเช่นเราเห็นคนอื่นโกรธเออทําไมเขาโกรธทําไมเขาถึงโกรธเราทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้เขาทาเวรทํากรรมอะไรมานะ เขาน่าเห็นใจยังไงหรือเปล่านะนี่คือความคิดประกอบอย่างอื่นที่ปนเข้าไปกับการรับรู้กิเลส ข, ของคนอื่นนั้นคนมีเจโตบริยะอย่างพวกที่เขามีญาณทางเนี้ยจึงไม่ใช่เหมือนกันเลยครับเราอย่าไป น, นึกว่าเขาจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจมีความเกื้อกูลกรุณามีความไม่ถือสาไปเหมือนเหมือนกันหมดไม่ใช่ ลงมาถึง อ, อีกส่วนหนึ่งคือพระเสขาบุคคลหรือปุตตุชนก็ตามพิจารณาเห็นแจ้งอากุศสรธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนศสตาเมื่ออกุศลดับไปแล้วตาทานละมณะจิตอันเป็นวิบากย่อมเกิดขึ้นข้อนี้คือถ้าเป็นปุตุชนก็เป็นพระเสขานตอนถึงเจาวันะ พิจารณาอากุศลโดยความเป็นในจังตุนตาเนี่ยนะชวนาเป็นกุศลนะแต่พอพ้อนชทวนามาแล้วตาตาลามนาเป็นอภพยาคตะท่านต้องการเอาบางส่วนของความคิดในวิธีจิตมาพูดก็ก็ก็เห็นยากหน่อยนะฮะผมผ่านเลยไปถึงในข้อสามว่าบุคคลยินดีเพื่อเพลินซึ่งอกุศลเพราะปลาลบอกุศลนั้น ราคาทิฏฐิวิธีกิจ้าอุจจาระและโทมนัสย่อมเกิดเมื่ อ, อเมื่ออกุศลดับไปราคะตถาธัมมนะครับจิตอันเป็นวิบากย่อมเกิดอันนี้ก็เป็นขณะจิตตอนท้ายวิถีของเราเนี่ยเป็นอภิยากตาคืออภิากตาตรง น, นี้เป็นอภยากตาที่เป็นวิบาก ของเราเนี่ยพยาคตาส่วนใหญ่จะเป็นวิบาก ค, คือเป็นเป็นเรื่องของผลกรรมเก่าผลกรรมเก่าที่ที่ไปผลกรรมเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อชดใช้กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างกรรมถ้าเป็นกุศลและอกุศล น, นะเป็นกรรมใหม่อยู่ในจว น, นะนะเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ อ, อทีนี้ผมผมจะย้อนให้ดูว่า <c oughs> อย่าง ท, ที่มันพอเห็นชัดหน่อยก็คือในขณะที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยวิบากจิตเป็นวิบากเป็นอพยกตะานะฮะเกิดขึ้นมาจากกรรมเก่าที่เราทำไว้ทำให้จิตนี้ปรากฏขึ้นอันนี้เรียกเป็นวิบากจิตและเป็นอพยากตะแต่เนื่องจากว่ายจักรสุญ ญ, ญานนมันเห็นกิเลสไม่ได้มันเห็นได้แต่รูปไม่เหมือนตานาละณะ หรือมโนทาวาราวัจนะอันนี้สำหรับคนคนเรียนหลักแล้วนะไม่เรียนหลักก็ขอให้ละเลยข้อความพวกนี้ไปเมื่อระลึกถึงกิเลสมโนทาวาราวัจนะเป็นอพยากตาจิตฝ่ายกิริยาของเรานะครับไม่ใช่ของพระลาหนที่ว่าเนี่ยระลึกถึงกิเลกกิเลสเป็นกิเลสแต่จิตเป็นกลาง ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแหละครับถ้าหากว่ า, า จ, จะตาตาระนาของเรานึกถึงกิเลสมโนทวาราชนะของเรานึกถึงกิเลสในตัวจิตนั้นไม่ได้เกิดพิษภัยจากกิเลสที่ตัวเองรับมันเหมือนเป็นการชดใช้กรรมเก่าหมดกรรมก็ไปอันหมดไปแต่ว่าชวนะจิตนั้นอาจจะผูกพันเข้ามาโดยความโดยทำปฏิกิริยาเป็นบุญเป็นบาปนะั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็ที่ปลาลกพูดพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆนะฟังไม่ไม่สะดวกกับคนใหม่และถ้าหากว่าเนื้อความในนี้ไม่บังคับผมก็ไม่อยากจะเอ่ยมาถึงไอยถึงแล้วก็ไม่เห็นภาพสำหรับหลายๆคนข้อสี่ขันทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยปะ บุเพนิวาสายต า, ากรรมูเกตากรมมูคือสัตว์ระลึกถึงกรรมของสัตว์อนาคตังรยานเรื่องอนาคตอวชนะและอวชนะทีวานะคืออกุศ ล, ลขันเป็นปัจจัยแก่อาวชนะนี้ท่านยกตัวอย่างเป็นกรณีของพระอรหรันต เวลาท่านเข้าอาวิญญาละลึกถึงใจคนอื่นที่เป็นบาปคือใจคนอื่นเป็นบาปแต่จิตของพราหานเป็นกิริยากิริยาพิยาละลึกถึงชาติก่อนชาติก่อนของท่านท่านก็เคยเกิดบาปและคนที่เกี่ยวข้องกับท่านเมื่อชาติก่อนก็อาจจะเคยเกิดบาปซึ่งท่านละลึกเขียนได้ในขณะนี้ อย่างเช่นพระโมคคัลลานะละลึกว่าชาติก่อนๆเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้ตอนละลึกถึงนะจิตเป็นกลางแล้วแต่ชาติก่อนที่ท่านละลึกถึงเนี่ยจิตเป็นบาปยถากรร ม, มูปะคะละลึกถึงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมและกรรมตรงนี้ที่มุ่งถึงหมายถึงอาคุโสลกรรมกว่าสัตว์นี้ได้รับ ผลดีผลชั่วอย่างนี้เพราะได้ทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้จะไปเกิดที่ไหนอย่างไรอนาคตังสยานก็เหมือนบุพเพแต่คนละ ก, การกันเท่านั้นเองอ่าเป็นอันว่าในประเด็นของอกุศ ล, ลธรรมเป็นปัจจัยอธิบายเทนี้นะครับการนี้มาถึงอภิญากรดาธรรมเป็นอารามณปัจจัยเนี่ยตรงนี้มียากมีง่ายบนกัน เป็นส่วนๆข้อๆไปรายละเอียดถ้ามีถึงอในข้อหนึ่งมีถึงสิบสองประเด็นย่อยอัพยากาตาทำเป็นปัจจัยแก่พยากาตาข้อหนึ่งเลยพระหลานพิจารณาผลและจิตพิจารณาพระนิพพานเวลาที่ท่านบรรลุมรรคบรรลุผลเสร็จแล้วปัจเจเวกใท่านพิจารณากิเลสโดยพิจารณามรรคผลนิบานด้วยในส่วนของการพิจารณามรรคผล มักผลอในนี้เฉพาะผลนะมักมักเป็นกุศลนะนี่เฉพาะผลแล้วค่านิพานนิพานเป็นกุศลหรือเป็นอพยากตะเป็นอพยากตะนี่ก็จะเห็นว่าค่าของนิพานเนี่ยไม่ใช่เป็นบุญแต่เป็นของกลางกลางเป็นของบริสุทธิ์ท่านพิจารณานิพานจิตของท่านก็เป็นกลางนิพานก็เป็นกลาง ผลก็เป็นวิบากของมรรคเป็นกลางอีกจิตพิจารณาผลก็เป็นกลางเนี่ยสําหรับพระอรหันต์เลยเป็นอภยากตาธรรมพิจารณาอภิากตาธรรมในกรณีอหรหันต์ประเด็นต่อมาว่านิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลและจิตและอาวชจนะจิตอาวชจนะจิตหมายถึงมนโนตวาราวัจนะอ่านี่เป็นเรื่องอยากในทางหลักนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่พอฟังได้กันทั่วไปก็คือ เมื่อท่านเข้าผลลสมาบัติพระอรหันต์ผลลสมาบัติของพระอรหันต์มีอะไรเป็นอารมณ์นิพพานพระอรหันต์เข้าผลสมาบัติในทิ้งอารมณ์โลกไปหน่วงนิพพานเอามาเป็นอารมณ์นิพพานก็เป็นอภยากตะผลลจิตก็เป็นอภิญากตะอภยากตะจึงเป็นอารมณนักปัจจัยแก่อภิากตะอย่างนี้ ข้อสามพระอระหันย่อมเห็นแจ้งซึ่งจักสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้โสตาการนาจิวหากายะรูปเสียงกลิ่นรส โ, โภทพระหาทยยวัตถุและการทั้งหลายที่เป็นอพยกตะวิบากอภยกตะกิริยาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจสุขังธอนัตตาข้อนี้โดยสรุปก็คือพระอระหรัน ทมวิปัสนาด้วยการกำหนดดูประสาททั้งห้าหรือเสียงที่มากระทบรูปที่มากระทบประสาททั้งห้าอารมณ์นะแล้วก็พวกจิตที่เป็นจิตกลางๆทั้งหลายเนี่ยเป็นการที่เข้าหลักนี้ว่า วิปัสนาของพระอรหันต์พระธรรมธรรมวิปัสนาเนี่ยเป็นกิยาใช่หมฮะไม่ใช่บุญเช่บาปเป็นกิยาและพิจารณาอารมณ์ที่เป็นอภปญญาตกกากลางๆรูปทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์กลางทั้งสิน้นเวลาอย่างเราเนี่ยเห็นนามเห็นรูปรูปที่เรากำหนดแยกออกมาจากนาม เป็นกลางแต่วิปัสนาเราเป็นกุศลส่วนน้มที่แยกออกมาจากลูกเป็นบาปก็มีเป็นบุญก็มีเป็นกลางก็มีปนกันสำหรับระดับเราทำถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นกลางหมดลูกก็เป็นกลางนามก็เป็นกลางจิตของท่านก็เป็นกลาง ทีนี้มาดูข้อสี่ปลาหลานเห็นรูปด้วยจักษุอันเป็นทิศทิประจักษสู่ของปลาหลานเป็นกริยาอีกรูปที่เห็นด้วยตาทิศก็เป็นอภิญากตะอีกและฟังเสียงด้วยโสตาทิศก็เช่นเดียวกันรู้จิตของท่านผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยจิตที่เป็นอภิญากตะอย่างเช่นว่าพระลาหลานกําหนดจิตผู้นอนหลับอยู่ ก็จิตนอนหลับของบุคคลนั้นเป็นอย่างไรจิตของพระอาหารหันต์ผู้รู้อยู่เป็นกลางจิตของผู้หลับก็เป็นกลางเป็นอริยกตะข้อต่อไปอากาสารัญใจ ย, ยตนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ข้ออากินยัญญา ย, ยตนะอรูปฌานที่ท่านพระอาหารหันต์ทำเนี่ยอรูปฌานสูงกำหนดอรูปฌานต่ำ ก็เป็นจิตกลางกับจิตกลางกำหนดกันรูปายตนาเป็นปัจจัยแก่จักสูุวิญญาณนี้ของใครก็ตามครับเหมือนกันหมดจักรสุวิญญาณเป็นอพยากตะจิตฝ่ายวิบากที่กรรมเก่าซัดมารูปาลมที่จักรสุวิญญาณ น, นั้นเห็นก็เป็นอพยากตะเป็นของกลางกลางสาหรับทุกคนครับแม้โซตา สัตย์ฐานะกันฐานะประสายฐนะโพธิภัยฐานะที่มากระทบประสาทแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นทั้งห้าทางเนี่ยเป็นกลางหมดของเราก็เป็นกลางนะฮะนี่หมายความว่าไอเราเองเนี่ยเบื้องต้นของการรับรู้เป็นกลางและเรามาทําให้เสียความเป็นกลาง <c oughs> สําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นกลาง ก็กำหนดรู้สิ่งเป็นกลางแล้วก็รักษาไม่ให้ใจเสียความเป็นกลางแล้วก็เมื่อเลื่อนไปถึงขั้นพระอราหันต์จิตใจก็เข้าถึงความเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ก็เป็นกลางทั้งอารมณ์และการรับรู้ของเราทำการรับรู้ที่เป็นกลางให้เสียความเป็นกลางคนมาทำวิปัสนาภายหลังก็มาสร้างความเป็นกลางให้เกิดขึ้นจนถึงจุดสมบูรณ์คือเป็นพระอราหารันต์ อันนี้เ็าเรียกว่าเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยทำทุกอย่างอย่างที่ธรรมชาติมันเป็นเป็นทุกอย่างอย่างที่ธรรมชาติมันเป็นอย่างที่พระพเจ้าตรัสว่าเมื่อหูฟังเสียงก็อย่าถือเอาโดยความเป็นนิมิตเป็นอนุปยัญชนะนำความยินดียินร้ายออกนั่นแหละความจริงไอ้ในขณะตาเห็นรูป หูฟังเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นแต่ที่มันเข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปที่ตามันเข้าที่ชาวนะแต่พูดโดยวิธีจิตนะมันเข้าที่ชาวนะเวลาเราเอาออกเนี่ยก็ไม่ได้เอาออกจากตาเพราะที่ตามันไม่มีกิเลสเอาออกที่ชาวนะเพราะชาวนะเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปแล้วชวนะมันมาปรุงแต่ง เรากา็ยังหยุดความปรุงแต่งนั้นเทีย่ยเมื่อหยุดได้ใจก็เป็นกลางอย่างที่ตามันเป็นกลางมันอยู่แล้วเ ร, เราดูข้อที่สองกันอีกสักหน่อยก่อนที่จะหยุดนะในหน้าสุดท้ายเลยครับข้อหกเนี่ยในข้อที่หกอพยากตาธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม เดิมหน้าของอารัมณะปัจจัยนี่เป็นอีกอีกประเด็นหนึ่ง เ, เมื่อกี้นะ่ะอพยากตาเป็นปัจจัยแก่อภยากตะข้อนี้อัพยากตาเป็นปัจจัยแก่กุศลคืออย่างไรอย่างในข้อที่หนึ่งย่อยที่ท่านบอกว่าพระเสกขะพิจารณาผลจิตพิจารณาพระนิพพาน ผลลจิตของพระอริยองค์ใดก็ตามเป็นอรยยกตามหมดนิพพานของใครก็ตามเป็นอรยยกตามหมดแต่ผลแต่ปัจเจเวกขณะยานหรือจิตเข้ามาพิจนารณาผลกับนิพพานถ้าเป็นของพระเสาบุคคลเนี่ยเป็นกุศลผมย้ำไปทีว่าปัจเจเวขณะยานของพระเสาบุคคลเสกคือโซดา กาอาอาณาคาเรียกว่าเซก้าท่านเหล่านี้เวลาถ้าบรรลุมรรคบรรลุผลแล้ว ก, ก็เป็นของใกล้ชิดท่านมักยันนึกถึงอยู่เสม อ, อเพราะว่าเป็นที่มาของความสุขเป็นที่รื่นมที่อยู่ในตัวของท่านเองไปอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยตายไปเกิดใหม่ก็ไปด้วยครับผลและจิตไปด้วยนึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเด็กขึ้นมานี่ก็ ก็ระลึกถึงได้แหละมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในหัวใจอย่างอย่างกว่าหลานที่ตังใจคาว่าได้ที่พึ่งในภาษาศาสนาได้ที่พึ่งพูนเหมือนเรือที่ไม่แตกอาศัยอยู่ได้ตลอดไปปุถุชนยังไม่ถือว่าได้ที่พึ่งอย่างนี้อันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์คือจะพูดอย่างทรรมดาเป็นอารมณ์ที่สูบ เก็บอยู่ในหัวใจไม่มีใครล่วงรู้ด้วยได้เว้นแต่อริยะด้วยกันดังท่านก็ระลึกถึงแต่ตอนจิตระลึกเนี่ยเป็นกุศลเพราะว่าท่านยังไม่เป็นพระหลา น, นี่ยจิตยังไม่เป็นกลางร้อยเปอร์เซนอย่างนั้นแต่นิพพานกับกรรมผลเนี่ยเป็นของเป็นกลางอยู่แล้วต่อไปออีกข้อหนึ่งบอนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรตะภูโวทานและมัก อันนี้ถ้าการณีของคนที่ทำวิปัสนายังไม่ได้เป็นอริยะกดีหรือเป็นอริยชั้นต้นๆเนี่ยเวลาเกิดโคตรตรพูญานจําโคตรตะรพูญานได้ไหมครับเคยได้ยินมันโคตรตะรพูยานยานข้ามโคตรเวลาทำวิปัสนาก่อนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะมียานยานหนึ่งเรียกว่ายานโอนโคตรยานข้ามโคตรหรือยานครอบงาโคตร ยานนี้แหละจะเป็นตัวที่หน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เป็นตัวชิมนิพพานให้มักให้ผลเป็ น, นํานวนเทียบเหมือนการช่างต้นของพระราชาปรุงอาหารเสร็จแล้วต้องชิมก่อนชิมรลังนิพพานพอชิมเสร็จแล้วมักผลเกิดก็เสวยนิพพานอย่างเป็นทางการต่อมางโคตรตะพูยานหรือโวทานที่ได้พูดแล้วก็ยานเดียวกัน แต่วโยโทานปแปล ว, ว่าบริสุทธิ์แล้วคือเป็นถ้าปุถุชนก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาจากโคตดปุถุชนไปสู่อริยะโคดเนี่ยตรงนั้นท่านเรียกยานนี้ว่าโคตรปูญญาแต่พอทําต่อไปจากอริยะไปสู่อริยะอันสูงขึ้นไปท่านเรียกว่าโวทานทรา อยู่ในโคดเดียวกันโคดของผู้บริสุทธิ์กิเลสท่านถึงเรียกว่าโวทานและนิพพานเป็นปัจจัยแก่มักขยานมักขยานก็เป็นกุศลใช่ไหมใช่เป็นโลกุตรกุศลผลเป็นวิบากผลเป็นอัพยากตะมักเป็นกุศลมักก้อนหวงอานิพพานเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอัิยากตะ มักเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าอภิากธารธรรมเป็นอา ร, รมณับปัจจัยแก่กุศลและธรรมจุดหนึ่งอย่างหนึ่งนี่ก็เกินภูมิปัญญาเราด้วยแล้วก็เกินภูมิเข้าใจสาหรับธรรมะทั่วๆไปเว้นแต่ว่าคนเรียนเป็นหลักการก็เข้าใจหลักการตรงนี้ แต่โดยทั่วไปยังเป็นเรื่องเกินภูมิธรรมในทางเข้าถึงของเราอยู่ข้อสามพระเสขะหรือปุถุชนก็ตามพิจารณาเห็นจักสุเป็นต้นนะครับโดยความเป็นของไม่เทียงอันนี้ก็คือปุถุชนและพระเสขาเวลาทำวิปัสสนาอารมณ์คือรูปะคือจักสุก็ตามรูปรลมก็ตามเป็นอภิญากตะเป็นของกลางกลางไม่บุญไม่บาป แต่จิตที่เข้าไปกําหนดเห็นหรือตัววิปัสนาหรือตัวสติตะวิชนญะนั้นเป็นกุศลละคนทําวิปัสนากําหนดที่รูปเมื่อมีรูปเป็นอารมณ์วิปัสนานั้นมีอปยาคตธรรมเป็นนรกการเจริญวิปัสนาจึงไม่ใช่เจริญรูปแต่เจริญจิตข้อสีพ่พระอรหันต์เห็นรูปด้วยทิพยจักษุฟังเสียงด้วยทิพยโสตตา รู้จิตของท่านผู้ป้อมเพียงด้วยอัพยากตะจิตเหล่านี้ครับอตัวอารมณ์เป็นอัพยากตะเอซึ่งที่จริงตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระอาหานันต้องเป็นพระเสกขาหรือปุถุชนนะแกแกซะหน่อยครับพระเสกขะหรือปุถุชนเห็นรูปโดยที่ประจักษ์สุกตาทิพของพระเสกขาหรือปุถุชนยังเป็นกุศลอยู่รู้จิตของผู้อื่นก็เหมือนกัน<อ>และแม้ ท่านทำอิทาวิทะเจโตปริยะก็ตำนองเดียวกันอีกครับเราจะทิ้งประเด็นที่สามสุดท้ายเอาไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาตออประเด็นสามให้ให้จบนะเชิญรับทานอาหารว่างสักครู่เดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับเออเรามาต่อประเด็นสุดท้ายของเรื่องอา ร, รมณปัจจัยประเด็นสุดท้ายคืออัพยากระตาราเป็นปัจจัยแก่อากุศ ล, ลธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอภิธรรมมัทธสังหะหรืออัตรกฏฐานั้นได้กำหนดองค์ธรรมเอาไว้ว่าอัปยาการาธรรมที่เป็นปัจจัยแก่อคุศรลธรรมได้คืออะไรได้ระบุในวงเล็บส่วนขององค์ธรรมว่าโลกียะวิบากสามสิบสองกิริยาจิตยี่สิบเจตสิกสามสิบห้าที่ประกอบแล้วก็รูปยี่สิบแปด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วต่เป็นโลกีธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยให้อกุศลธรรมเข้ามาหน่วงนึกเป็นอารมณ์ได้อกุศุลธรรมที่เข้ามาหน่วงนึกก็คืออคุศลจิตสิบสองเจตสิกบวกอีกยี่สิบเจ็ดนะฮะข้อความอธิบายมีว่าบุคคลย่อมเพลิดเพลินซึ่งจักสุเพราะปลาลบจักสุนั้นราคะความกำหนัดนะ่ะทิฏฐิความผิดผิด วิธีกิชาความลังเลสงสัยอุททัจจะความคิดพุ่งส่น้นโภมนัตคือความเสียใจหรือความโกรธย่อมเกิดขึ้นบุคคลย่อมเพลิดเพลินซึ่งโสตคานะชิวหากายะรูปเสียงกลิ่นรสโธภธพะหาทยวัตถุและขันทั้งหลายที่เป็นอพยากตะวิบาก และอพยาคตากริยาเพราะปราลบสิ่งนั้นราคาทิติพิธิกิจาอุทธจาโทมัสย่อมเกิดขึ้นนี่เป็นบทอธิบายในส่วนนี้ซึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้สั้นที่สุดในทางอธิบายขยายความก็อธิบายว่าตัวจักสุที่ปรากฏในเบื้องต้นเนี่ยนะะแล้วก็ที่จริงก็อธิบายร่วมไปกับโสตากาณาจิวหากายะ รูปเสียงกิริยโสดโ พ, พะและรหัตยวัตถุอีกด้วยก็ได้ก็คือประสาตาตาของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสได้จริงหรือไม่เราพิจารณาดูและกิเลสที่อาศัยตาเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่หนวงนึกหรือกิเลสที่เกิดขึ้นกับตาของเราเนี่ยคือกิเลสหยาบละเอียดอย่างไร และคำว่าตาเนี่ยหมายถึงตาของเราเท่านั้นหรือตาของคนอื่นด้วยก็จริงจริ ง, รงตอบได้ว่าตาคนอื่นด้วยเป็นที่ตั้งของกิเลสจริงหรือไม่จริงเช่นเวลาที่เราชอบตาเราชอบตาคนอื่นด้วยใช่ไหมชอบตาคนอื่นชอบไหมชอบตาคนอื่นเป็นไหมแล้วทุกวันนี้ชอบตาคนอื่นอยู่หรือเปล่า แลที่หลวมเนื้อหลวมตัวมัเนี่ยบางทีก็พอาไอ้ไอตาเนี่ยแหละชอบตานี่แหละนั้นตาของคนอื่นที่เราเข้าไปกำหนัดยินดีรักใครชอบใจข้อนั้นเป็นจักสุขซึ่งเป็นที่ประลบไปที่อาศัยของราคะไอ้คาว่าราคะตัว น, นี้มันมีอยา่าเพรียดแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวได้ว่ากันะและตาของเราเองเป็นที่ชอบใจที่กำหนัด ของกิเลส ข, ของเราเองด้วยและเป็นที่อาศัยของกิเลส ข, ของคนอื่นด้วยจริงหรือไม่จริงจริงถามว่าเราเนี่ยกำหนัดในตาของเราว่าอย่างไรพวกไม่รู้ไม่รู้ว่างรัรู้แต่ว่าเรารักตาของเราอันนี้ถ้าถามว่าไอ้ที่เรากำหนัดตาเนี่ยเรากำหนัดแบบไหนบ้างตอบว่าหนึ่ง เรากำหนดตาในแง่ค่าของความสวยอาละถึงแม้ว่าไอ้ความสวยของตาเนี่ยจะเป็นเรื่องตาชนนอกแต่ก็อนุโลมหมายเอาตัวประสาทตาเป็นหลักเป็นประธานได้นะฮะใช่ไม่ใช่เราชอบตาด้วยอำนาจของความสวยงามถ้าคนไหนที่เป็นคนที่ตาหวานไม่รู้ยังไงนะหวานเนี่ย ตาหวานตาคมตาซึ้งตาหยดตาย่อยตาดอกท่อตามันมีหลายตาด้วยกันเราก็ก็รู้สึกว่าเราภูมิใจและชอบมากเคยมีคนมาปลาลกกับผมนานแล้วตอนนั้นนางเอกนางไทยคนหนึ่งที่ตาโตๆนะฮะเป็นคนทางใต้เสียชีวิตไปเมื่อเก็นจะเกือบสิบปีแล้วมักที่ไปแต่งงานกับแขกประธาน แล้วก็มีข่าวว่าเธอตายไปแล้วแล้วก็มีว่าคนในวัดคนหนึ่งเขาก็โลมมันบอกแม่เสียดายตาหรือเสียดายตาตาตายอย่างนี้หวานไม่น่าตายเลย <c oughs> ตาหวานมากนันนทธสุภาติตพูดถึงนะฮะก็พูดเดงอำนาจของความกำหนัดยินดี ในปราสาทตาภิกษุณีในสมัยพระพุทธเจ้าเคยมีอยู่องค์หนึ่งท่านคงจะเคยได้ฟังมาแล้วที่โพสลอที่เป็นคนตาสวยสวยมากมาบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ยังมีผู้ชายมาชอบคือเวลาคนที่ตาสวยซึ้งเนี่ยนะคนที่เข้าไปกำหนัดเนี่ยมันมันมีความรู้สึกบอกไม่ถูกไม่บอกก็เข้าใจอ่ะไม่ต้องบอกครับมันสวยซึ้งให้ความรู้สึกอย่าง มันเหมือนหัวใจจะวายมาสบตาของเธอครับหนุ่มคนนี้ก็มาเฝ้ามองขอความรักแล้วแล้วเล่าๆจนภิกษุณีลำคานภิกษุณีเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วนะก็ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาคงสวยยิ่งขึ้นแต่ว่าตาของคนที่มีมีธรรมะเนี่ยมันมีแววมันมีแววธรรมะออกมาอยู่นะไม่เหมือนกับตาของคนที่ไม่มีธรรมะ คือถ้าคนที่ดูตาคนเจนทำน